พระธรรมเทศนาแผ่นที่90ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่7กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าบวชมาเพื่อหาสาระวันนี้เป็นวันที่7 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระใหญ่เดือนสองดับแรมสิบสี่ค่ำเป็นวันอุโบสถมือเช้านี่ก็เป็นวันตุดจีนของเขาอีกเป็นวันไหว้เจ้าแล้วก็พร้อมกันพวกเราก็ได้ขึ้นไปมอบพระ วัดป่าหลุบเปล่าที่เจ้าภาพก็มาถวายคุณผูนศีกับลูกๆเป็นน้องของน้อาสาวของคุณหมอเป็นศีน์ถวายมอบมือเช้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วกับคณะสงฆ์แล้วก็ได้ลงมาตามปกติพวกเราก็ลงโบสถเที่ยงเที่ยงวันก็ลงโบสถแต่วันนี้มันมีปัญหามี เรื่องภาระที่เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับพระประธานพวกเราก็เดยย่นเวลาลงมาอุโบสถประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงถึงสวดปฏิโมกจบลงสักครู่นี้พวกเราได้ฟังพระปฏิโมกเป็นการทบทวนศีลทุกสิบห้าวันกลางเดือนปลายเดือน แต่นี้เราก็ได้ฟังจบลงไปแล้วอันนี้คือหน้าที่ของพระพระสงฆ์ผู้อยู่ข้างในรักษากฎระเบียบวิ น, นัยถ้าว่าพระสงฆ์ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวิ น, นัยก็จะเรียกพระสงฆ์ได้อย่างไรจะเรียกว่าพระได้อย่างไรก็เหมือนเป็นคราวาัตในเมื่อเรามีศีลมีวิ น, นัย มีกฎระเบียบปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้า ว, วางไว้อย่างไรพวกเราก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาพระทงค์ขอให้พวกเราทุกๆท่านจะเป็นพระนะอย่าย่อหย่อนในหลักธรรมวินัยสิ่งไหนที่มันผิดศึกษาแล้ว ว่ามันผิษอย่าทำให้เคารพ ก, กฎกติกาอาบัตเล็กอาบัตน้อยอาบัตใหญ่เราให้ศึกษาไม่ใช่ว่าเราเราเข้ามาล้วจะรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะเราต้องศึกษาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองก่อนที่เราจะรู้กฎหมายเราก็ต้องเรียนต้องอ่านต้องศึกษาจึงจะรู้กฎหมาย แต่เราก็ไม่ถึงก็รู้ในรายละเอียดทุกอย่างตัดสินคดีความขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ให้รู้ว่าอันไหนมันผิดกฎมันหนักหนักเบาอันไหนโทษประหารอันไหนโทษจําคุกเราก็ได้ให้ศึกษาฝ่ายพระค็มหมนอนกันโทษประหารของพระมี ตาว่าทำผิดลงไปแล้วแปลว่าขาดจากการเป็นพระเมื่อขาดจากการเป็นพระแล้วถึงจะบวชอีกก็ไม่เป็นพระเพราะไรเพราะตัดเหมือนกับตานต้นตานต้นมะพร้าวที่มันยอดด้วนแล้วที่มันคอปัดมันขาดแล้วมันเน่าแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะงอกเงยขึ้นอีกต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นนั้นไม่มี ต่อนอต่อแขนงขึ้นมาอีกเหมือนต่อต้นไม้อย่างอื่นนี่ก็เหมือนกันชีวิตของพระถ้าหากขาดการเป็นพระโทษประหารแล้วบทโอกาสทั้งชาติทั้งชีวิตและพร้อมกันก็จะได้รับบาปกรรมอันหนักไปตกนรกหมกไหมไปอีกเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้ามาบวชเราต้อง เคารพกฎกติกาเคารพหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะเราเข้ามาเราเขาา้เ า, เขามาศึกษาเราเข้ามาว่าเราจะปฏิบัติได้เราจึงเข้ามาอยู่ในจุดนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมาอยู่ในจุดนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้เราก็พิจารณาตัวเองว่าข้าไม่มีความสามารถเพราะอะไรเหมือนกับนักฟุตบอล เหมือนเราจะเข้าไปเตะฟุตบอลเราก็ต้องเชื่อในกำลังข้องเรา่ะเราเข้าไปเตะได้ไปแข่งเขาได้อย่างน้อยกอถึงยังไงกอด น, น่ะไม่แพ้ใครอยู่ในแนวหน้าเรายังค่อยเข้าไปแต่ถ้งยังไงเมื่อเรางอ้อยหมดกำลังแล้วจะไปเตะฟุตบอลเราจะไปเตะได้ยังไงเพราะเราหมดสภาพนี่ก็เหมือนกันเรา ไม่สามารถที่จะรักษาหลักพระธรรมวินัยได้อันนี้เราไม่ได้ว่า เ, เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ต้องดูมองดูตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้คมเข้มแข็งเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ซื่อตรงต่อหลักพระธรรมวินัยจะจึงหูหนวกตาบอดขี้ร้ายขี้เละขนาดไหนก็เถอะแต่ข้าพเจ้าจงรักพักดีต่อหลักพระธรรมวินัย เป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหลักพระธรรมวินยัยเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหลักพระธรม ร, ธรมคําสอนของพระพุทพธเจ้าปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาให้พวกเรานึกในใจอย่างนั้นนี่แหละถ้าว่าเรามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถุกเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย นึกขึ้นมาเวลาใดกย็ยิมเนี่ยในจิตใจไม่ได้สงสัยในความชั่วของตนเองที่ได้กระทําลงไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบวชเข้ามาทั้งทีให้รักษาหลักพระธรรมวินยัยให้พวกเรานึกอตัวว่านี่แหละเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ในมาบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกเราบวช นักบวชอาชีพ่ให้เขาว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงจะปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพุทธะแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราเชื่อแนวทางของท่านเราจึงได้บวชบวชเข้ามาแล้วก็ค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าว่าสาระของชีวิตคืออะไรอะไรคือประโยชน์ของชีวิต ชีวิตนี้คือที่มีคุณค่าจริงนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านถอนถามสอนเราสอนเราให้เรานึกดูทชีวิตของเราที่มีคุณค่านันคืออะไรอยู่กินเป็นวันวันอย่างนั้นใช่ไหมหรืออย่างเป็นฆราวาสอย่างนั้นใช่ไหมหรือเราเป็นพระอยู่เป็นวันวันพูดคุยเป็นวันวัน เป็นอย่างนั้นใช่ไหมดูดูแล้วมันหาสาระไม่ได้ทั้งหมดตามที่เราได้นึกดูพอนึกขึ้นมาก็ตามจงสุดว่ามันเป็นประโยชน์อะไรในการนึกคิดการกระทําอย่างนั้นถ้าเรานึกคิดดูให้สุดไปสุดในเรื่องนั้ น, น, นแล้วมันหาสาระประโยชน์ไม่ได้อย่างจริงๆอย่าง หาสรรประโยชน์ไม่ได้จริงเพราะนั้นสาระของชีวิตที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสนั้นคืออะไรท่านว่าให้พวกเราค้นคว้าศึกษาชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสเพราะกิเลสภายในใจของเราเนี่ยทำให้เราเวียดว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารลุ่มลุ่มรอนๆอนสูงสู ง, สงต่ำๆ่ พอไม่หมดกิเลสเกิดมาอีกเกิดชาติหน้าอีกถ้าเราถล่มถล่มทากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตกต่ําถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีให้ผลก็ไปในทางสูงแต่ที่ยังไงกิเลสภายในใจของเรายัางไม่หมดจังกลับมาเกิดอีกพอกลับมาเกิดอีกอันไหนคือสาระของชีวิตกระทามาค้าขายกินเป็นวันๆอย่างผู้มือเชานะเราไปบินท่บบาบัด ถึงจะอาหารอ ร, อ, อร่อยถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงเราทานอาหารก็ไปแล้วก็ทายออกไม่อื่นเช้าวันก็ไปมาเอาบินถวายมาฌานอีกฌานเอกเอ ก, ก็ทายออกอีกแล้วก็ไปฌานอกีกอันไหนคือสาระของชีวิตเนี่ยพอผลที่สุก็แก่ไปเรื่อยๆเป็นวันๆไปชีวิตของเราแก่ไปเป็นวันผลที่สุกถึงจุดจบของชีวิตคือความตายเข้ามาถึง มาพิจารณาดูซิว่าอันนั้นอันไหนคือสาระของชีวิตที่เราได้นะันคืออะไรเราอยู่เป็นวันๆเราได้คืออะไรกันนอกเหนือจากที่ทำจิตใจให้เป็นสมาธินอกเหนือจากทาจิตใจให้หลุดพ้นจากอาส ว, วะกิเลสพิจารณาเป็นปอเปาะเป็นขั้นขั้นนี่กันกรองไตรตองด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วมันหาสาระประโยชน์ไม่ได้จริงๆ ชีวิตประจำวันของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเราเป็นนักพรัดนักปวดเราต้องพิจารณาดูให้ที ท, ท่วนท่วนทีในการเป็นอยู่ของเราอันไหนคือสาระของชีวิตที่เราจะต้องได้ตีประพุทธเจ้าที่ท่านชี้นำบอกกล่าวก็คือเรื่องให้ชำระใจนั่งสมาธิ ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั่นแหละเราพยายามทำกำไรขึ้นมาถ้าเราไม่ขาดสติสติไม่ขาดจากใจของเราเฉยนั่นแหะวันหนึงน่งๆเราได้กำไรเพราะนั้นเราหากำไรชีวิตหรือว่าหากาไรที่เป็นนักพจนักปวดเ ให้ดูตนเองนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจวันนี้ไม่เคยคิดนั่งสมาธิเลยนั่นแหละขาดทุนผลปีวันนั้นหาความขาดทุนที่ไหนนะดูตวันนี้เออตั้งแต่ตื่นมานะเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าการกำหนดการก้าวเดินของเราสติของเราดีวันนี้ นึกคิดเรื่องอะไรใจของเราทานอารมณ์อารมณ์เข้ามาเนี่ยเราทานหมดมันนึกคิดเรื่องอะไร น, นั่นแหละวันนั้นเปลว่าวันได้กําไรสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่าขาดทุนแต่ละวีแต่ละวันให้ดูตนเองไม่มีใครที่จะดูรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละองค์แต่ละท่านเพราะฉะนั้นให้พวกเราดูนะดูใจของเราให้ชําระกิเลส เมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีสติของเราดีเรามีความเพียรมีสติดีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจากนั้นก็เมื่อสติเราเป็นสมาธิดีแล้วเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาการกรอนไตรตรองเหตุและผลก็จะเห็นอันติจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายสังขาร มันจะยืนนานไปสักเท่าไร่อีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งขนาดร่างกายขนาดร่างกายของตัวเองอย่างทิ้งวัดวาศาสานาบริษัทบริวารหมู่พวกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายจะไม่ทิ้งอย่างนั้นเหรอร่างกายของเราก็ยังทิ้งทิ้งยังเอาเผาไฟทิ้งนี่แหละนะใจนะใช่ไหมถามใจตัวเองอถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิ ใจิตใจของเราเป็นเมื่อสติของเราอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิอยู่แล้วเมื่อพิจารณามันก็เห็นจริงเพราะมเอาของจริงมามาถามเอาของจริงมาพิจารณาเอาของจริงมาตั้งคําถามกับตัวเองมันจะไม่จริงได้อย่างไรเพราะนั้นก็ให้พวกเราทูกถูกท่านนะตั้งใจภาวนาในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราพิจารณาเห็นใจของเราลนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดนะพาลูกพาลานนะ ออกไปจากจิตจากใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายใจมันออกไปจากใจนั่นมันปุง่งมันฟุง้งมันซ่านทำให้ตัวเองทุกทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีปุง่งฟุ้งซ่านอยู่ในจิตในใจมันออกไปจากใจทั้งหมดจากนั้นก่อนนั่นอะปุง่งฟุ้งไปเพื่ออะไรมันตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายเนี่ยเป็นของเสวยงดงามอย่างนั้นใช่ไหม เ, เห็นไหมคนเท่าคนแต่ แต่ก่อนเขาก็นหนุ่มแน่นเหมือนกับเราใช่ไหมแต่ตดี๋ยวนี้เป็นยังไงพ่อแม่ของเราญาติโก้โหติกาของเราเราจะไม่เป็น <c oughs> อย่างท่านอย่างนั้นใช่ไหมเราพิจารณาดูทีทวนทบทวนทีทวนทบทวนเเขาเราท่านเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นะมันมารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดใจของเราเป็นผู้กกุลเรื่องขึ้นมาก่อเรื่องขึ้นมาคล้ายกันนั่นหะ มักใหญ่ไฟสูงขึ้นมาหลงตัวเองขึ้นมากิเลสราคะโทสะโมหะมันพยองพองตัวในจิตใจแล้วจากนั้นก็ออกลวดลายก็ทำให้ตัวเองทุกจิตทุกใจเพราะใจของเราไม่ทันใจของเราธรรมธรรมะไม่ทันกิเลสกิเลสมันออกกล้ำหน้าธรรมของเราเขาขึ้นไปแย่งบนเก้าอีใ้ใจของเราเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้าว่าเรา มีทำรรเข้าไปนั่งเราก็พิจารณาไล่กิเลสองจากเก้าอีเออ้เราก็มีความสุขเย็นใจมีความสุขพิจารณาอะไรก็เห็นอัดเห็นทำแต่เมื่อกิเลสเข้ามานั่งเก้าอี้ไรธรรมะคือหลักเหตุผลลงลงจากใจกิเลสขึ้นบัญชาใท่ไหมแน่จากนั้นเราทุกทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแหละใช่ไหมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจากทั้งกับพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดนะดูใจดูผู้รู้ตัวนามธรร ม, ามตัวเนี้ยสำคัญมากแต่เรื่องกายเนะียเป็นเรื่องปลายเหตุนะแต่เรื่องตัวต้นเหตุจริงๆก็คือใจเพราะนั้นให้พวกเราดูใจนะภาวนานะก่อนที่จะถึงดูใจได้นะัต้องมีสมาธิก่อนนะ แต่ถ้าม่าจิตใจของเราไม่มีสมาธิเลนะจิตใจปุ่งฝุ้งเอรละเฮ้ยลอยลอมทั้งวีทั้งวันไม่มีทางที่จะเห็นใจดวงนั้นได้แต่จิตใจของเรามันเน่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในเมื่อสติของเราเดีแล้วล่ะเราจะมองย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจจะเห็นได้ชัดนะพระลูกพระหลานนะต่อเ น, นี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะ